พระไตรปิฎกสิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้บทนำพระพุทธศาสนาไม่ใช่ปรัชญาก่อนที่จะกล่าวถึงเรื่องพระไตรปิฎกต่อไปเราจําต้องแยกให้ออกระหว่างปรัชยากับศาสนาปรัชญาเป็นเรื่องของการคิดหาเหตุผลเป็นสําคัญและถกเถียงกันในเรื่องเหตุผลนั้นเพื่อสันนิษฐานความจริง เรื่องที่ถกเถียงหรือคิดหานั้นอาจจะไม่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่เป็นอยู่เช่นนักปรัชญาอาจจะถกเถียงกันว่าจักรวาลเกิดขึ้นเมื่อไรและจะไปสิ้นสุดเมื่อไรโลกจะแตกเมื่อไรชีวิตเกิดขึ้นเมื่อไรเป็นต้นและนักปรัชยาก็ไม่จำเป็นต้องดำเนินชีวิตตามหลักการอะไรหรือแม้แต่ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ตนคิด เขาคิดหาเหตุผลหาความจริงของเขาไปโดยที่ว่าชีวิตส่วนตัวอาจจะเป็นไปในทางที่ตรงข้ามก็ได้เช่นนักปรัชญาบางคนอาจจะเป็นคนคุ้มดีคุ้มร้ายบางคนสัมมาเลเทมเาบางคนมีทุกข์จนกระทั่งฆ่าตัวตายแต่ศาสนาเป็นเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของการดาเนินชีวิตหรือการนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตจริง การปฏิบัินั้นต้องมีหลักการที่แน่นอนอย่างใดอย่างหนึ่งที่ยอมรับว่าเป็นจริงโดยมีจุดหมายที่แสดงไว้อย่างชัดเจนด้วยเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติคือศาสนิ ก, กชลเริ่มต้นก็ต้องยอมรับที่จะปฏิบัติตามหลักการของศาสนานั้นตามที่องค์พระศาสดาได้แสดงไว้ซึ่งเราเรียกว่าคาสอนด้วยเหตุนี้ศา ส, สนก จึงมุ่งไปที่ตัวคําสอนของพระศาสดาซึ่งรวบรวมและรักษาสืบทอดกันมาในสิ่งที่เรียกกันว่าคำภีรเมื่อมองในแง่นี้พระพุทธศาสนาจึงไม่ใช่เป็นปรชาชญาแต่เป็นศาสนามีพระสมณโคดมเป็นพระศาสดาซึ่งชาวพุทธทุกคนเชื่อในการตรัสรู้ของพระองค์ สอนวิธีการดำเนินชีวิตที่เมื่อถึงที่สุดแล้วจะนำไปสู่เป้าหมายคือการหลุดพ้นจากความทุกข์คำพีขนาดใหญ่ที่บรรจุหลักคำสอนเรียกว่าพระไตรปิฎกชาวพุทธที่แท้จะต้องปฏิบัติตามคำสอนให้ถูกต้องเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากพระศาสนามากที่สุดและเพื่อเป็นหลักประกันวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก็จาเป็นต้องมีความเข้าใจพื้นฐาน เกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฎกหัวข้อพระพุทธพจน์แก่นแท้ของพระพุทธศาสนาคำว่าพระพุทธศาสนาว่าโดยทั่วไปมีความหมายกว้างมากรวมตั้งแต่หลักธรรมพระสงฆ์องค์กรสถาบันกิจการไปจนถึงศาสนาสถาน และศาสนาวัตถุทุกอย่างแต่ถ้าจะเจาะจงลงไปให้ถึงความหมายแท้ที่เป็นตัวจริงพระพุทธศาสนาก็มีความหมายตรงไปตรงมาตามคำแปลโดยพยัญชนะของคำว่าพระพุทธศาสนานั่นเองว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่คือตัวแท้ตัวจริงของพระพุทธศาสนาสิ่งอื่นนอกจากนี้เป็นส่วนขยายออกหรืองอกขึ้นมา จากคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเมื่อจับความหมายที่เป็นตัวแท้ได้แล้วก็จะมองเห็นว่าความดํารงอยู่ของพระพุทธศาสนาหมายถึงความคงอยู่แห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหากคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเลือนลางหายไปแม้จะมีบุคคลกิจการศา ส, สนาสถาน และศาสนวัตถุใหญ่โตมโหฬารมากมายเท่าใดก็ไม่อาจถือว่ามีพระพุทธศาสนาแต่ในทางตรงข้ามแม้ว่าสิ่งที่เป็นรูปธรรมภายนอกดังกล่าวจะสูญหายถ้าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายัางดํารงอยู่คนก็ยังรู้จักพระพุทธศาสนาได้ด้วยเหตุนี้การดํารงรักษาพระพุทธศาสนาที่แท้จริง จึงหมายถึงการดำรงรักษาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากล่าวให้เฉพาะลงไปอีกคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็ได้แก่พุทธพจน์หรือพระดํำรัตของพระพุทธเจ้านั่นเองดังนั้นว่าโดยสาระการดารงรักษาพระพุทธศาสนาจึงหมายถึงการดารงรักษาพระพุทธพจน์อนหนึ่ง พระพุทธพจน์นั้นเป็นพระดำรัสที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงธรรมและบัญญัติวินัยไว้ก่อนพุทธปรินิพานไม่นานพระพุทธเจ้าตรัสไว้เองว่าจะไม่ทรงตั้งพระภิกษุองค์ใดเป็นศาสดาแทนพระองค์เมื่อพระองค์ปรินิพานล่วงลับไปแต่ได้ทรงมอบหมายให้ชาวพุทธได้รู้กันว่าพระธรรมวินัยนั้นแหละเป็นพระศาสดาแทนพระองค์ ชาวพุทธจำนวนมากถึงกับจำพุทธพจน์ภาษาบาลีได้ว่าโยโอาอนันทะมยาธรรมโมจะวินโยจะเทศิตโตปัญญโตโสโวบ้ามัจะเยณะสัทธาดูก่อนอานนธรรมะและวินัยใดที่เราได้แสดงแล้วและบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายธรรมะและวินัยนั้นจะเป็นศรัทาของเธอทั้งหลาย โดยการที่เราล่วงลับไปโดยในนี้พระพุทธพจน์จึงเป็นทั้งพระพุทธศาสนาคือคำตรัสสอนของพระพุทธเจ้าและที่ทำรงสถิตพระศาสดาโดยทรงไว้และประกาศพระธรรมวินัยแทนพระพุทธองค์พระไตรปิฎกข้อควรรู้เบื้องต้น คำพีที่บรรจุพุทธพจน์คือพระธรรมวินัยมีชื่อที่ชาวตะวันตกรู้จักกันโดยทั่วไปว่าภาลิแคนนอนหรือบุตดิสแคนอนทั้งนี้ก็เพราะว่าเป็นที่ประมวลหลักการพื้นฐานของศาสนาซึ่งในที่นี้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและข้อความในคำพีนี้บันทึกด้วยภาษาบาลีแต่คำบาลีที่เรียกพระไตรปิฎกก็คือติปิต ก, ก หรือเตปิตะกังจากคำว่าติแปลว่าสามบวกปิตะกะแปลว่าตำราคำภีหรือกระจาดมันเป็นภาชนะบรรจุของซึ่งตามตัวอักษรใช้หมายถึงคำสอนหมวดใหญ่สามหมวดคือพระวินัยปิดกได้แก่ประมรวลระเบียบข้อบังคับของบรรพชิตที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้สำหรับภิกษุและภิกษุณี พระสุตตันตปิดกได้แก่ประมวลพระสูตรหรือคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงยักเยื้องไปต่างๆให้เหมาะกับบุคคลสถานที่เหตุการณ์มีเรื่องราวประกอบพระอภิธรรมปิดกได้แก่ประมวลคำสอนที่เป็นเนื้อหาหรือหลักวิชาล้วนๆไม่เกี่ยวด้วยบุคคลหรือเหตุการณ์ไม่มีเรื่องราวประกอบ ทันที่จริงพระไตรปิฎกไม่ใช่คำพีเพียงเล่มเดียวแต่เป็นคำพีชุดใหญ่ที่มีเนื้อหาถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ฉบับพิมพ์ด้วยอักษรไทยนิยมจัดแยกเป็น45เล่มเพื่อหมายถึงระยะเวลา45พรรศาแห่งพุท ธ, ธกิจนับรวมได้ถึง 22,379 หน้าในวงเล็บฉบับสยามรัฐ หรือเป็นตัวอักษรประมาณ24ล้านมแสนตัวแต่ละปีดกมีการจัดแบ่งหมวดหมู่บทตอนซอยออกไปมากมายซับซ้อน